ลานวัดเตียนเตียนรอยมาจากทางไหนก็พอจะเห็นได้แต่นี่ไม่เห็นมาจากที่อื่นเลยมามีเฉพาะใต้ถุนกุดีนี้แห่งเดียวนอกนั้นไม่มีท่านตอบว่าจะให้มีมาจากที่ไหนกันก็พญานาครองไปจากกุดีเราเมื่อคืนนี้ก่อนจะไปเราบอกให้แสดงรอยไว้ใต้ถุนกุดีเราดังนี้ ถ้ามีพระเนนเห็นรอยงูก่อนแล้วขึ้นไปเรียนถามท่านเป็นต้นเหตุก่อนก็จะไม่น่าคิดนักแต่นี้ท่านถามออกมาเลยทีเดียวโดยไม่มีใครปรารบเรื่องนี้ไว้ก่อนประกอบกับรอยงูใหญ่ที่แตถุนท่านก็มีจริงๆดังที่ท่านถามด้วยนี้แสดงว่าท่านรู้เห็นทางในและให้พญานาคแสดงรอยไว้ให้พระเนนดูทางตาเนื้อเพราะตาในบอดไม่สามารถรองเห็นได้เวลาพญานาคมาเยี่ยมฟังธรรมท่าน แล้วก็พากันเรียนถามท่านในโอกาสว่างๆ ว, ว, ว่าเวลาพญานาคมาหาท่านอาจารย์เขามาในร่างแห่งงูหรือในร่างอะไรท่านตอบว่าพวกนี้เอาแน่นอนไม่ได้ถรรมาเพื่ออัดเพื่อทำดังที่มาหาเราก็มาในร่างแห่งมนุษย์เป็นชั้นๆแต่ตามแต่ยศใครสูงหรือต่ำถ้าเป็นพญานาคก็มาในร่างแห่งกษัตริย์มีบริวารพ่อมล้อมมากิริยาอาการทั้งหมดเหมือนกิริยาของกษัตริย์ทั้งสิน้น การสนทนาก็เหมือนพระสนทนากันกับกษัตริย์ใช้ราชาสับกันเป็นพื้นบรรดาบริวารที่มาด้วยก็เหมือนข้าราชการตามเสด็จพระมหากษัตริย์ต่างมีมัน ญ, ญาติเรียบร้อยสวยงามมีความเคารพกันมากยิ่งกว่ามนุษย์เราขณะที่นั่งฟังธรรมไม่มีใครแสดงกิริยากระดุกกระดิกอันเป็นการแสดงความรำคาญขณะสนทนาธรรมก็มีเฉพาะหัวหน้าเป็นผู้ทําหน้าที่แทนใครสงสัยก็พูดกับหัวหน้า ผมน่าก็เรียนถามท่านแทนท่านก็อธิบายให้ฟังตามจุดที่สงสัยจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ผากันลากลับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่พวกเราจะพอเชื่อตามท่านได้แม้ตนไม่รู้คือมีพระองค์หนึ่งเห็นท่านชอบสูบบุหรี่ตราไกา่เลยสั่งโยมไปแลกเปลี่ยนมาถวายท่านเวลาเขานํามาให้แล้วก็นําไปถวายท่านขณะนั้นท่านก็ยังไม่ว่าอะไร คงยังไม่มีเวลาพิจารณาเพราะขณะที่พระนัมบุรีไปถวายเป็นเวลาที่ท่านกำลังพูดธรรมะอยู่จึงพากันฟังธรรมท่านไปเรื่อยๆจนจบแล้วพากันกลับมาพอเช้าวันหลังพระองค์นั้นขึ้นไปหาท่านอีกท่านบอกว่าบุรีกล่องนี้ให้เอาไปเสียผมไม่สุขเพราะเป็นบุรีหลายเจ้าของทางพระองค์นั้นเรียนท่านว่าบุรีนี่เป็นของกระผมคนเดียว ที่สัง่งโยมไปแลกเปลี่ยนมาวานี้ไม่ได้เป็นของหลายเจ้ากระผมสั่งเขาให้หามาถวายท่านอาจารย์โดยเฉพาะท่านก็พูดยืนคําอยู่อย่างนั้นว่าให้เอาไปเสียเพราะบุหรี่นี้มีหลายเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะสูบเอาประโยชน์อะไรพระองค์นั้นก็ไม่กล้าเรียนท่านอีกเพราะกลัวถูกดุต้องจำใจถือบุหรี่กล่องนั้นกลับมาแล้วเรียกโยมคนที่สั่งให้ไปแลกเปลี่ย น, น่าน มาถามเรื่องราวว่าเขาทำอย่างไรกันแน่เมื่อถามโยมคนนั้นก็ทราบว่าเขาเอาประจายซึ่งเหลือจากที่แลกเปลี่ยนสมณบริคารของพระหลายองค์ที่สั่งเขามาแลกเปลี่ยนบุรีกรองนั้นมาท่านถามเขาว่าพระองค์ใดบ้างที่สั่งและประจายขององค์ใดบ้างที่โยมเอามาแลกเปลี่ยนบุรีกรองนี้มาเขาก็บอกว่าขององค์นั้นๆพอทราบเรื่องละเอียดแล้ว ท่านก็รีไปหาพระที่โยมระบูนามและบอกเรื่องราวของบุหรี่ให้ท่านทราบต่างก็แสดงความยินดีต่อท่านอยู่แล้วจึงพอใจอันโมทนาโดยทั่วกันในขณะนั้นพระองค์นั้นจึงได้นำบุรี่กล่องนั้นไปถวายท่านอีกโดยกราบเปลี่ยนสารภาพตัวว่าเป็นความผิดของตัวจริงๆที่ไม่ได้ไต่ถามโยมผู้ไปแลกเปลี่ยนโดยละเอียดทีทุ่นก่อนแต่แล้วก็เป็นความจริงดังท่านอาจารย์ว่าจริงๆ วันนี้กระผมได้ถามโยมดูแล้วว่าเป็นของหลายเจ้าที่เขาเอามารวมกันซื้อมาส่วนพระทั้งหลายพอทราบต่างยินดีถวายท่านอาจารย์ด้วยกันทั้งหมดท่านก็รับบุหรี่กล่องนั้นไว้โดยไม่ได้พูดอะไรต่อไปแม้หลังจากวันนั้นแล้วก็หายเงียบไปเลยพอพระองค์นั้นกลับมาพูดเรื่องบุหรี่กับมูเพื่อนที่ตนไปคัดค้านท่านแต่ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ถูกตามคาท่าน พระที่ได้ยินคํานี้เกิดความแปลกใจว่าท่านรู้ได้อย่างไรเพราะไม่มีใครไปกราบเปลี่ยนท่านเลยท่านหนึ่งพูดค้านขึ้นในสมาคมหนูหมายถึงสภาลับของพระที่แอบคุยกันว่าก็ถ้าท่านเหมือนพวกเราเราก็จะว่าท่านรู้ท่านฉลาดอย่างไรล่ะเพราะท่านต่างจากพวกเราทุกด้านนั่นเองจึงได้เคารพและชมว่าท่านฉลาดจริงที่พวกเราพากันมารุมอาศัยพึ่งร่มเงาท่านอยู่ ก็เพราะเห็นความสามารถท่านต่างจากพวกเราราวฟ้ากับดินนั่นแหลผมเองไม่สงสัยแม้ไม่รู้อย่างท่านก็อย่างเชื่อว่าท่านรู้กว่าผมฉลายกว่าผมทุกด้านไม่มีอะไรต้องติจึงได้มามอบกายถวายชีวิตให้ท่านดูดาสั่งสอนโดยไม่ได้มีทิฏฐิมานะแสดงออกให้กระเทือนใจท่านแม้แต่น้อยทั้งที่กิเลสมันอยู่กับใจแต่กิเลสมันคงกลัวท่านเหมือนกันจึงไม่กล้าแสดงออกมาบ้างเลยผมเข้าใจว่า เพราะความยอมตนความกลัวความเครบเริื่มใสท่านซึ่งมีอำนาจมากกว่ากิเลสประเภทเร็วๆที่เคยต่อสู้กับครูหรือกับใครๆมาประจำนิสัยแต่พอมาถึงท่านแล้วมันหมอประอาบไปเสหมดไม่มีกิเลสตัวใดกล้าออกมาเพ่ผพานเหมือนอยู่กับอาจารย์อื่นๆถ้าทราบว่าเรายังไม่ยอมลงท่านผมเองก็ไม่กล้ามาอยู่กับท่านแม้ขืนอยู่ไปคงไม่เกิดประโยชน์ นอกจากจะเกิดโทษโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะว่าอะไรแค่นำของไปถวายท่านดังที่เห็นเห็นมาเพียงเราคิดไม่ดีในตอนกลางคืนพอตกตอนเช้าไปก็ดีท่านมองดูสายตาท่านแหลมคมเรากลับจะฉีกเราให้แหลกละเอียดไปในขณะนั้นทีเดียวถ้าเห็นอาการอย่างนั้นอย่าเขินเข้าไปรับบริการหรืออะไรอะไรจากมือท่านท่านเป็นไม่ยอมให้คนแบบนั้นรับเด็ดขาดที่ท่านทาอย่างนั้น ก็เพื่ออุบายทรมานความดื้อด้านของเราโดยทางอ้อมยิ่งกว่านั้นก็ใส่ปัญหาแทงเข้าไปในข้อหัวใจเราให้เจ็บแสบอยู่นานๆเพื่อจะได้เข็ดหลับเสียทีแต่แปลกใจปุถุชนเหล่านี้มันเข็ดแต่ไม่หลบับคือเข็ดขณะที่ถูกของแข็งและเจ็บแสบลงลึกในเวลานั้นพอท่านแสดงอาการธรรมดากับตนบ้างเอาอีกแล้วเกิดเรื่องอีกจนได้ทั้งที่ไม่มีเจตนาจะคิดสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยแก่ตน แต่มันตามอาจารย์ของเจ้าบนนี่หมายถึงลิงไม่ทันสักทีเพราะมันรวดเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวเป็นไหนๆพอมาหาท่านอีกดูท่าทางแล้วชักจะเข้าไม่ติดมีสีหน้าและสายตาแปลกๆพอให้ระวังใจยากอยู่นั่นแหลแม้เช่นนั้นมันยังไม่รู้สึกขิดหลาบเลยคือไม่เห็นภัยไปนานพอไปๆชักจะเห็นสิ่งที่เคยเป็นภัยนั้นๆว่าเป็นมิตรโดยไม่รู้สึกตัวอีกแล้ว ฉะนั้นจึงว่ามันเข็ดแต่ไม่หลาบถ้าทั้งเข็ดทั้งหลักก็รู้สึกตัวและกลัวสิ่งนั้นไปนานๆใจก็สงบเย็นไม่รุ่มร้อนเวลามาหาท่านก็ไม่ได้ระวังนักว่าท่านจะดุดาต่างๆจิตผมเป็นอย่างนี้จึงหนีจากท่านไปไหนไม่ค่อยได้เพราะไม่ไว้ใจตัวเองอยู่กับท่านมันกลัวและระวังอยู่เสมอใจก็ไม่กล้าคิดไปนอกลู่นอกทางนักหากมีบ้างก็รู้ได้เร็วรีบฉุดมาทันกับเหตุการณ์ ไม่ถึงกับแสดงผลร้อนให้ปรากฏผมน่าเชื่อท่านชนิดหมอบราบเลยทุกวันนี้ว่าท่านอาจารย์มั่นท่านรู้วาราจิตผมจริงๆส่วนท่านจะรู้วาราจิตใครหรือหรือไม่ผมไม่สนใจสนใ จ, จเฉพาะเรื่องท่านกับผมเท่านั้นเพราะผมมันเป็นคนชอบดื้อในข้อเรื่องน่าให้ท่านตัดสันดานท่านจึงดัดเสียบ้างพอให้เข็ดคือบางทีมันคิดบา่บาๆไปก็มีเมื่อมาอยู่กับท่านใหม่ๆโดยคิดว่า เขาว่าท่านอาจารย์ม่านนี้รู้จิตใจคนใครคิดอะไรท่านรู้ได้หมดท่านจะรู้ได้หมดจริงๆหรือถ้าท่านรู้ได้หมดจริงๆสําหรับเราไม่จําเป็นที่ท่านจะสนใจรู้ไปหมดขอให้ท่านรู้แต่ความคิดของเราที่คิดอยู่ขณะนี้ก็พอแล้วถ้าท่านรู้แม้เพียงขณะจิตที่เราคิดต่อท่านอยู่เวลานี้เท่านั้นเราจะยอมกราบท่านอย่างราบเลยนอกนั้นเราไม่คิดเข้าบัญชีว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับท่านเลย พอตกตอนเย็นไปหาท่านดูท่าทางแทบนั่งไม่ติดพื้นเสร็แล้วตาท่านจับจ้องมาหาเราเรากลับไม่กระพิตาเอาเลยขณะที่ตาจ้องมาก็เหมือนจะตะโกนจี้ใจเราอยู่ทุกขณะด้วยพอท่านเริ่มเทศให้พระฟังเราไม่ค่อยได้เรื่องอะไรได้แต่ความร้อนใจอย่างเดียวและกลัวท่านจะดุเราคนเดียวที่ไปดื้อทดลองท่านพอท่านเริ่มเทศไม่นานนักทมที่เต็มบปดมไม้เร็วชนิดต่างๆก็เริ่มเฉียดหลัง เฉีดไปเฉีดมาและเฉีดใกล้เฉีดไกลเข้ามาทุกทีบางทีเฉียดมาคู่หัวใจจนร้อนโวกและตัวไหวโดยไม่รู้สึกตัวยิ่งกลัวใจก็ยิ่งร้อนไม่เป็นสุขเลยขณะนั่งฟังท่านเคียนท่านตีด้วยอุบายต่างๆพอจวนจะจบการแสดงธรรมทนไม่ไหวต้องยอมท่านทางภายในว่าเท่าที่คิดเป็นนั้นก็เป็นเพียงอยากทราบเรื่องท่านอาจารย์เท่านั้นกว่าจะรู้ใจคนอื่นจริงไหม ไม่ได้มีความคิดจะดูถูกเหยียดหยามว่าไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นมาบัดนี้ได้ยอมรับแล้วว่าท่านอาจารย์สามารถและเก่งจริงกระผมขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์ตลอดบันตายขอท่านได้เมตตาอนุเคราะห์สั่งสอนต่อไปเถิดอย่าได้เกิดความอิดนาระอาใจด้วยเรื่องเพียงเท่านี้เสียก่อนเลยเราคิดยอมตนเพียงเท่านี้การแสดงธรรมที่กําลังเผดร้อนก็ค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายก็แย้มปัญหาออกมาฝากไว้วราสุดท้ายอีกว่า ความผิดความถูกนี่อยู่กับตัวทำไมจะไม่สนใจดูบ้างเสือกไปหาดูเรื่องผิดเรื่องถูกของคนอื่นเพื่อประโยชน์อะไรความคิดชนิดนั้นหรือที่พาให้เราเป็นคนเก่งคนดีแม้จะรู้ว่าคนอื่นเก่งคนอื่นดีแต่ถ้าเจ้าของไม่เก่งไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นเองไปไม่รอดถ้าอยากรู้เรื่องของคนอื่นว่าดีหรือไม่ดีเพียงไรก็ต้องดูเรื่องของตัวให้ราอคอบทุกด้านก่อนเรื่องของคนอื่นก็รู้ไปเอง ไม่จาต้องทดลองคนลองไม่ใช่คนเก่งคนดีถ้าเก่งท่าดีจริงแล้วไม่ต้องลองก็รู้แล้วก็จบทำเพียงเท่านั้นผมเองเกือบสลบในขณะนั้นเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวยอมท่านอย่างหมอบ ร, ราบและเข็ดลาบจนป่านนี้ไม่เคยไปหารองดีกับท่านอีกเลยคราวนี้เป็นคราวเข็ดลาบขนาดหนักสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับท่านถ้าเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับท่านมันเข็ดขนาดนี้ผมคงพ้นทุกข์นานแล้ว แต่มันไม่เข็ดแบบนี้จึงน้าโมโหจะตายไยนี่เป็นเรื่องพระท่านแอบสนทนากันในสภาหนูผู้เขียนก็อยู่ในสภานั้นด้วยและมีส่วนได้เสียไปด้วยกันจึงได้นำเรื่องนี้มาลงโดยมีบุรีตราไก่เป็นต้นเหตุพอเป็นข้อคิดว่าความจริงของความจริงมีอยู่ทุกแห่งทุกคนและทุกเวลาอากาลิโกขอแต่ปฏิบัติใหถึงความจริงทำจริง ต้องรู้ตามความสามารถและภูมิวัสนาของตนแน่นอนไม่ว่าทําภายในคือสัจธรรมและทําภายนอกคือความรู้แขนงต่างๆตามภูมินิสัยวาฒนาของแต่ละรายที่สร้างมาและความปรารถนาที่ตั้งไว้ไม่เหมือนกันแต่ผลส่วนใหญ่คือมรรคผลที่ผ่านนั้นเมื่อถึงแล้วเหมือนกันท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นอาจารย์ที่ผู้อยู่ใกล้ชิด จ, จะลืมเรื่องต่างๆและปฏิบัตปทาที่ท่านพาดำเนินไม่ได้ตลอดไป เมื่อยังมีลมหายใจอยู่บรรดาลูกศิษย์ท่านที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่เวลานี้มีอยู่หลายองค์ด้วยกันแต่และองค์มีนิสัยวาสนาและปฏิปทาเครื่องดําเนินภายในตลอดความรู้อัตธรรมและความรู้พิเศษแปลกต่างกันไปเป็นเรายๆถ้าทีเขียนตอนต้นได้ระบุนามลูกศิษย์ท่านผ่านมาบ้างแล้วที่ยังมิได้ระบุนามท่านก็มีจึงได้เรียนไว้ว่าเมื่อดําเนินเรื่องท่านเจ้าของประวัติไปพอสมควร หากมีเวลาก็จะระบูน้ำคณะลูกศิษย์ท่านต่อไปอีกดังนี้จึงได้เริ่มฟื้นน้ำลูกศิษย์ท่านขึ้นมาอีกพอทราบบาังว่าท่านดำเนินและรู้กันอย่างไรท่านประสบเหตุการณ์ต่างๆมาอย่างไรบ้างแต่และองค์ตามคติธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงรเผชิญความลําบากและรู้ทำอย่างไรบ้างบรรดาสาวกก็ย่อมเดินตามรอยพระบาทที่ทรงผาดำเนินตลอดความรู้ความเห็นก็เป็นไปตามร่องรอยของาศาสนาแบบสิทธิครู บรรดากศิษย์ท่านอาจารย์มั่นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันทางปฏิปทาเครื่องดำเนินส่วนการประสบเหตุการณ์ภายนอกที่นาตื่นเต้นหวาเสียว ม, มีต่างกันไปตามสถานที่อยู่บำเพ็ญและที่เที่ยวไปไม่เหมือนกันเมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้ก็ทำให้ระลึกเลื่อมใสและบูชาท่านอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ท่านอาจารย์ที่มีการเที่ยบสุดลงกรรมาฐานแตกต่างจากหมู่คณะอยู่บ้างจึงขอประธานโทษนำเรื่องท่านออกมาลง ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบบ้างในสมัยปัจจุบันว่าสิ่งที่เคยมีในครั้งพุทธกาลอันเป็นส่วนภายนอกอาจยังมีในสมัยนี้ได้อยู่บ้างหรืออย่างไรคือเราเคยได้ยินหรือได้เห็นในหนังสือว่าช้างมาถวายอาราขาและลิงมาถวายรวงพึ่งแด่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเรื่องคล้ายคลึงกันในสมัยนี้ก็อาจเป็นเรื่องของท่านอาจารย์องค์นี้จึงขอประธานออกนามท่านด้วย เพื่อเป็นหลักฐานไว้กับเรื่องที่กําลังดําเนินอยู่ขณะนี้ท่านมีนามว่าท่านพระอาจารย์ชอบอายุคงย่างเข้าเจ็ดสิบปีจําไม่ถนัดทราบว่าท่านบวชมานานการปฏิบัติท่านชอบอยู่ในป่าในเขาตลอดมาจนถึงปัจจุบันนิสัยท่านชอบออกเดินทางในเวลาค่ําคืนท่านจึงชอบเจอสัตว์จําพวกค่ําคืนมีเสือเป็นต้นเสมอบ่ายวันหนึ่งท่านออกเดินทางจากลมศักดิ์เพชรบูรณ มุ่งไปทางจังหวัดลำปางเชียงใหม่พอจวนจะเข้าดงหลวงก็พบชาวบ้านเขาบอกท่านด้วยความเป็นห่วงว่าขอนิมนต์ท่านพักอยู่หมู่บ้านแถบนี้ก่อนเช้าวันหลังค่อยเดินทางต่อไปเพราะดงนี้กว้างมากถ้าตกบ่ายแล้วเดินทางไม่ทะลุดงได้เลยถ้าเดินไม่ทะลุ ป, ป่าในตอนกลางวันโดยมากคนมักเป็นอาหารเสืออยู่เสมอเพราะความไม่รู้ระยะทางไกลดังนี้พอบ่ายไปแล้ว เดินทางไม่ทะลุแน่และตอนกลางคืนเสือออกมาเที่ยวหากินทุกคืนถ้าเจอคนแล้วมันก็ถือเป็นอาหารของมันเลยไม่มีรายใดผ่านปากสือไปได้นี่ก็กลัวพระคุณเจ้าจะเป็นเช่นนั้นจึงไม่อยากให้ไปในเวลาบ่ายแล้วเช่นวันนี้ป้ายประกาศเขาปิดไว้เพื่อผู้เดินทางจะได้อา่านและทราบเรื่องของรงยักษ์นี้แล้วไม่กล้าไปยักษ์จะได้ไม่กินเป็นอาหารของมัน ท่านถามเขาว่ายักษ์อะไรกันเคยได้ยินแต่โบราณท่านว่าไว้แต่ทุกวันนี้ไม่เคยได้เห็นได้ยินเลยเพิ่งมาได้ยินเอาวันนี้เองเขาเรียนท่านว่ายักษ์เสือโคร่งใหญ่ลายผ่าดกร้อนนั่นเองท่านไม่ใช่ยักษ์อื่นที่ไหนหรอกถ้าไปไม่ทะลุดงเสือต้องกินเป็นอาหารแน่นอนจึงข อ, อนิมนต์ท่านกลับคืนไปพักค้างที่บ้านแถบนี้เสียก่อนพรุ่งนี้เช้าฉันเสร็จแล้วค่อยเดินทางต่อไป แต่ท่านไม่ยอมกลับและจะขอเดินทางต่อไปในวันนั้นเขาเรียนท่านด้วยความเป็นห่วงว่าบ่ายขนาดนี้ใครจะเดินเร็วขนาดไหนต้องมืดจู่กลางดงใหญ่นี้ไม่มีทางพ้นไปได้เลยท่านไม่ฟังเสียงเขาเลยมีแต่จะไปท่าเดียวเขาถามท่านว่าท่านกลัวเสือไหมท่านตอบเขาว่ากลัวแต่จะไปชาวบ้านเรียนท่านว่าหากวันมาเจอแล้วอย่างไรมันก็ไม่หนีคนเลยต้องกินเป็นอาหารแน่นอน ถ้าท่านกลัวเสือกินคนท่านก็เนควรไปเพราะถ้าขืนไปมันก็กินท่านจนได้ท่านตอบว่าถ้ากรรมมาถึงตัวแล้วก็ยอมเป็นอาหารของมันไปเสียถ้ากรรมยังสืบต่ออยู่มันคงไม่กินว่าแล้วก็ลาเขาออกเดินทางไปอย่างไม่อาลัยเสียดายชีวิตเลยพอก้าวเข้าในดงมองดูสองฝากทางมีแต่รอยเสือตะกุยดินทั้งขี่ทั้งเยี่ยวทั้งเกาทั้งหม่เต็มไปตลอดทาง ท่านก็เดินภาวนาเรื่อยไปดูรอยเสือตามทางเรื่อยไปใจก็ไม่กลัวพอมืดก็ถึงกลางดงพอดีในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งใหญ่กระหึมตามมาข้างหลังตัวหนึ่งกระหึมมาทางด้านหน้าต่างร้องมาหากันตัวอยู่ข้างหลังก็ร้องใกล้เข้ามาจนจะทันท่านตัวอยู่ข้างหน้าก็ร้องใกล้เข้ามาหาท่านและต่างตัวต่างร้องใกล้เข้ามาทุกทีทุกที พอสุดท้ายทั้งตัวอยู่ข้างหน้าทั้งตัวอยู่ข้างหลังก็มาถึงท่านพร้อมกันพอมาถึงท่านแล้วยิ่งกระหึมใหญ่พอเห็นท่าไม่ดีท่านก็หยุดยืนนิ่งปรองอนิจังว่าเราคงครั้งนี้แน่เป็นครั้งยุติของชีวิตเพราะมองไปดูตัวอยู่ข้างหน้าก็กํำลังทาท่า ท, ทาทางจะโดดมาตรุบท่านชาเลืองตาไปดูตัวอยู่ข้างหลังก็กาลังทาท่าจะโดดมาตรลุบท่านอยู่เช่นเดียวกัน แต่ละตัวอยู่ห่างจากท่านราวาเสเท่านั้นขณะนั้นปรากฏว่าจิตกลัวจนเลยกลัวยืนตัวแข็งโดอยู่กับที่แต่สติยังดีจึงกำหนดจิตให้ดีไม่ให้เผลอแม้จะตายในขณะนั้นเพราะเสือกินก็ไม่ให้เสียทีพอได้สติก็กาหนดย้อนกลับจากเสือเข้ามาหาตัวโดยเฉพาะจิตก็รวมลงอย่างสนิทในขณะนั้นความรู้ผุดขึ้นมาว่า เสือกินไม่ได้แน่นอนดังนี้จากนั้นก็หายเงียบไปเลยทั้งเสือทั้งคนเม่รู้สึกว่าตนยืนอยู่หรือนั่งอยู่ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆภายนอกตลอดร่างกายได้หายไปโดยสิ้นเชิงในเวลานั้นความหมายว่าเสือก็าหายไปพร้อมๆกันยังเหลืออยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นดวงเพียงอันเดียวทรงตัวอยู่ในขณะนั้นจิกรวมลงอย่างเต็มที่คือถึงฐานแห่งสมาธิแท้ และนานเป็นเวลาหลายชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาเพราะจิตถอนขึ้นมาตัวเองยังยืนอยู่อย่างเดิมบ่าแบกรดและสะพายบาดมือข้างหนึ่งหิ้วโคมไฟเทียนไขส่วนไฟดับแต่เมื่อไรไม่ทราบได้เพราะจิตรวมอยู่นานพอจุดไฟสว่างขึ้นแล้วตามองไปดูเสือสองตัวนั้นเลยไม่เห็นไม่ทราบว่าพากันหายไปไหนเงียบขณะที่จิตถอนขึ้นมานั้นไม่ได้คิดกลัวอะไรเลย แต่มีความอาถรรพ์เต็มดวงใจขณะนั้นแม้เสือจะมาอีกสักร้อยตัวพันตัวใจก็ไม่มีสะทกสะทานเลยเพราะได้เห็นฤทธิ์ของใจและของธรรมประจักษ์แล้วเมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วยังเกิดความอัศจรรย์ตัวเองว่ารอดปากเสือมาได้อย่างไรกันและอัศจรรย์จนไม่มีอะไรจะเทียบได้ขณะนั้นทําให้เกิดความรักความสงสารเสือตัวนั้นว่าเป็นคู่มิตรมาให้อัดให้ทําเราอย่างถึงใจ แล้วก็พากันหายไปเรากับปาติหารทําทำให้คิดถึงมันมากแทนที่จะกลัวเหมือนครั้งแรกพบท่านว่าเสือโคร่งทั้งสองตัวนั้นใหญ่มากตัวขนาดม้าแข็ที่แข็งอยู่ที่สนามม้านางเลิ้งกรุงเทพเราดีๆนี่เองแต่ตัวมันยาวกว่าม้ามากมายหัวมันวัดผ่าศูนย์กลางคงได้ราวสี่สิบเซนติเมตรใหญ่พิลึกไม่เคยพบเคยเห็นนับแต่เกิดมา ฉะนั้นเมื่อเห็นมันทีแรกจึงยืนตัวแข็งโดรากับตายไปแล้วเพียงแต่ยังมีสติดีดอยู่เท่านั้นหลังจากจิตถอนขึ้นมาแล้วมีแต่ความรื่นเริงเย็นใจคิดว่าไปที่ไหนไปได้ทั้งนั้นไม่คิดกลัวอะไรเลยในโลกและไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรสามารถทำลายได้เพราะได้เชื่อจิตเชื่อทำาว่าเป็นเอกในโลกทั้งสาอย่างเต็มใจเสียแล้วหลังจากนั้นก็ออกเดินทางด้วยวิธีจงกรมภายในตัว อย่างเยือกเย็นเห็นผลให้ทําเต็มดวงใจไม่หวั่นไหวจิตมีความระลึกคิดถึงเสือคู่มิตรทั้งสองตัวนั้นไม่ได้ลืมเลยถ้าเผอเห็นมันอีกคราวนี้คิดว่าจะเดินเข้าไปลูกคลำหลังมันเล่นได้อย่างสบายราวกับสัตว์เลี้ยงในบ้านเราดีๆนี่เองแต่มันจะยอมให้เราลูกคลำหรือไม่เท่านั้นการเดินทางในคืนวันนั้นหลังจากพบเสือแล้วมีแต่ความวิเวกวังเวงและรื่นเริงใจในใจไปตลอดทาง จนสว่างก็ยังไม่ทะลุดวงเลยกว่าพ้นดวงไปถึงหมู่บ้านก็ราวเก้านาฬิกากว่าจึงเตรียมครองผ้าเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านนั้นพอชาวบ้านเห็นท่านเข้าไปบินธบาตต่างก็ร้องบอกกันมาใส่บาตพอใส่บาทเสร็จเขาก็ตามท่านออกมาที่พักซึ่งวางบริการที่ไม่จำเป็นไว้ที่นั้นและถามถึงการมาของท่านท่านก็บอกว่ามาจากที่โน้นที่โน้นดังที่เขียนผ่านมาแล้ว มีความประสงค์จะเที่ยววิเวกไปเรื่อยๆบ้านแถบนั้นเป็นบ้านป่าบ้านดงกันทั้งนั้นพอเห็นท่านผ่านมาจากทางดงหลวงผิดเวลาจึงพากันถามท่านก็ทราบว่าท่านเดินผ่านดงหลวงมาตลอดคืนไม่ได้พักหลับนอนที่ไหนเลยพวกเขาพากันตกใจว่าท่านมาได้อย่างไรเพระาะทราบกันดีว่าอะไรก็ตามถ้าผ่านดงนี้มาผิดเวลาต้องเป็นต้องเป็นอาหารเสือโครงใหญ่ในดงนี้กันแท้ทั้งนั้น แล้วท่านมาได้อย่างไรเสือถึงไม่เอาท่านเป็นอาหารเล่า mm. เขาถามท่านว่าขณะท่านเดินผ่านรงใหญ่มาเจอเสือบ้างหรือเปล่าตลอดคืนที่มาท่านก็บอกว่าเจอเหมือนกันแต่มันไม่ได้ทำอะไรอาตมาเขาไม่อยากจะเชื่อท่านเพราะเสือเหล่านี้คอยดักกัดกินคนที่ตกค้างในปา่าในเวลาค่มคืนอยู่เป็นประจำเมื่อท่านเล่าพฤติการระหว่างท่านกับเสือเจอกันให้เขาฟังแล้ว เขาถึงได้ยอมเชื่อว่าเป็นอภินิหารของท่านโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับปรายอื่นๆซึ่งเป็นอาหารเสือแท้ทั้งนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ไม่น้อยเพราะปกติคนที่เดินผ่านตรงที่ว่านี้โดยมากก็มักเป็นอาหารเสือกันดังกล่าวกว่าไม่รู้หนทางและระยะทางไกลๆตลอดอันตรายต่างๆที่อาจมีในระหว่างทางแนวว่าเป็นอุปสรรคแก่การเดินทางไม่ว่าทางภายในคือทางใจ และทางภายนอกคือทางเดินด้วยเท้าย่อมอาศัยผู้เคยเดินเป็นผู้นำทางจึงจะปลอดภยัยนี่เป็นเรื่องควรคิดสำหรับพวกเราผู้กำลังเดินทางเพื่อความปลอดภัยและความสุขความเจริญแก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่ควรประมาทว่าตนเคยคิดเคยพูดเคยทำและเคยเดินโดยมากมักเป็นความเคยในทางที่ผิดมาแล้วจึงชอบพาคนไปในทางผิดอยู่เสมอโดยไม่เลึกวัยและเพศถ้าเดินไม่ถูกทาง ท่านอาจารย์องค์นี้ชอบจะพบเหตุการณ์ทนองนี้อยู่เสมอในชีวิตนักบวชที่ท่านดำเนินมาอีกครั้งหนึ่งท่านไปเที่ยวทุดงในประเทศพมา่าพักม่มเพลยนอยู่ในถา้าเสือชอบมาหาท่านเสมอแต่ไม่ทําอะไรท่านวันหนึ่งเราห้าโมงเย็นท่านนั่งภาวนาอยู่ในถา้าโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะมีสัตว์มีเสือที่อาถรรพ์ขนาดนั้นมาหาท่านพอออกจากที่ภาวนา พ, อ, พอดีตามองไปหน้าถา้ำ เห็นเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนตัวหนึ่งเดินขึ้นมาหน้าธรรมที่ท่านกําลังพักอยู่มันตัวใหญ่มากน่ากลัวพิลึกแต่ท่านไม่คิดกลัวมันคงจะเป็นเพราะท่านเคยเห็นสัตว์พันนี้มาบ่อยครั้งก็เป็นได้พอมันเดินขึ้นมามันก็มองเห็นท่านและท่านก็มองเห็นมันพอดีเช่นเดียวกันขณะที่มันมองมาเห็นท่านแทนที่มันจะแสดงอาการกลัวหรือแสดงอาการคำรามให้ท่านกลัว แต่มันทําอาการเฉยๆ เ, เหมือนสุนัขบ้านไม่แสดงอาการกลัวและอาการขู่คํารามใดๆทั้งสิน้นพอมันขึ้นมาถึงถ้ำแล้วตามันตามันมองโนนมองนี้แล้วกระโดดขึ้นไปนั่งอยู่บนก้อนหินด้านทางขึ้นถ้ำสูงประมาณหนึ่งเมตรห่างจากท่านประมาณสามวานั่งเลียแข้งเลียขาอยู่นั่นอย่างสบายแบบท้องไม่รู้ร้อนและไม่สนใจกับท่านเลยทั้งที่มันก็เห็นและรู้อยู่ว่าท่านอยู่ที่นั้น การนั่งของมันนั่งแบบสนักบ้านพอนั่งเลียแข้งเลียขาเหนื่อยก็นอนหมอบแบบสุนัขอีกเช่นเดียวกันแล้วเลียแข้งขาและลำตัวแบบไม่สนใจกับอะไรทั้งสิน้นท่านว่าท่านก็ไม่กล้าออกไปเดินจงกลมที่หน้าธรรมใกล้ชิดกับที่มันกำลังนอนอยู่ได้เช่น ก, กันเพราะทำให้รู้สึกว่าเสียวเล็กน้อยเนื่องจากไม่เคยพบเคยเห็นมาในชีวิตที่เสือผ่าทั้งตัวมาทาตัวเป็น เหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นนั้นแต่ก็นั่งภาวนาได้ตามธรรมดาไม่นึกกลัวว่ามันจะมาทำอะไรให้ตนตอนมันขึ้นมาทีแรกท่านก็นั่งอยู่แค่เล็กๆนั่นเองส่วนมันนานๆจะมองมาดูเราสักครั้งหนึ่งและมองแบบไม่สนใจจดจ้องมองอย่างธรมธรมดาาในลักษณะพิมิตมาแต่ครั้งไหนก็ยากจะพูดถูกนับแต่มันมานั่งนอน เลียแข้งเลียขาอยู่ที่นั้นก็นานพอสมควรนึกว่ามันจะหนีไปที่ไหนต่อไปแต่ที่ไหนได้มันกลับอยู่สบายไปเลยไม่สนใจว่าจะไปไหนอีกตอนมันมาถึงทีแรกท่านก็นั่งอยู่นอกมุงจนมืดแล้วท่านจึงเข้าในมุงเวลาจุดไฟและแสงไฟสว่างไปหาตัวมันมันก็ไม่สนใจกับท่านคงอยู่ทำนองที่มันเคยอยู่นั่นแลจนดึกเดินได้เวลาพักท่านขอพักตามปกติ ท่านตื่นนอน ร, ราวสามนาฬิกาและจุดเทียนไขสว่างขึ้นมองไปดูมันยังนอนอยู่ที่เก่าแบบไม่สนใจกับท่านอีกเช่นเคยพอล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วท่านก็นั่งขัดสมาธิภาวนาต่อไปจนสว่างเวลาออกจากที่ภาวนาหรือมงขึ้นเก็บมองไปดูมันยังเนาะมันยังนอนสบายอยู่เหมือนสุนัขนอนอยู่ในบ้านเราดีๆนี่เองจนกระทั่งถึงเวลาจะออกบินธบาต ทางออกวินทบาทก็จำต้องเดินผ่านมันไปที่นั่นเองท่านเกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่าเวลาเราเดินผ่านมันไปที่นั่นมันจะมีความรู้สึกอย่างไรและจะทำอะไรเราบ้างหรือเปล่าหนอจนคลองผ้าเสร็จมันก็ยังนอนมองมาทางเราด้วยสายตาอ่อนๆที่น่าสงสารเหมือนสุนัขมองดูเจ้าของฉะนั้นท่านเลยตัดสินใจว่าต้องไปตรงนั้นแหล ซึ่งห่าง จ, จากตัวมันราวหนึ่งเมตรกว่าเท่านั้นที่อื่นไม่มีทางพอจะด้นด้านหลีกไปได้เวลาจะไปทราบว่าท่านพูดกับมันบ้างว่านี่ถึงเวลาออกบินทบาทแล้วเราก็มีท้องมีปากมีความหิวกระหายเหมือนสัตว์โลกทั่วไปเราจะขอทางออกไปบินทบาทมาฉันหน่อยนะจงให้ทางเราบ้างถ้าเจ้าอยากอยู่ที่นี่ต่อไปก็ได้ หรือจะไปเพื่อหาอยู่หากินที่ไหนก็ตามใจสะดวกเราไม่ว่าทราบว่ามันนอนฟังท่านเหมือนสุนัขนอนฟังเจ้าของพูดก็มันฉะนั้นพอพูดจบคำท่านก็เดินผ่านออกมาที่มันกำลังนอนอยู่อย่างสบายนั่นแหละขณะที่ท่านเดินผ่านมันออกมาตามันชำเลืองดูท่านแบบแสงตาอ่อนๆเหมือนจะบอกว่าไปเถอะท่านไม่ต้องกลัวหรอกที่มานี้ก็ออกมาเพื่อรักษาอันตรายให้ท่านนันเอง แล้วท่านก็เดินเข้าบินทบาลในหมู่บ้านทราบว่าท่านมิได้บอกใครให้ทราบเลยกลัวเขาจะมาทำลายมันพอบินธบาลกลับมาถึงที่มันเคยนอนมองหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่ทราบปัญหาไปทางไหนเงียบไปเลยนับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยเห็นมันมาหาท่านอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั้นไปท่านว่าคงไม่ใช่เสือในป่าธรรมดาเราอาจเป็นเสือเทพบรรดา จึงทำตัวเหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านได้ดีไม่ทำให้เป็นที่น่ากลัวอะไรเลยน่าแต่ขณะมันขึ้นมาหาทีแรกจนกระทั่งมันจากไปจึงเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสารอย่างยิ่งตัวหนึ่งท่านว่าท่านคิดถึงมันอยู่หลายวันนึกว่ามันจะมาหาท่านอยู่เรื่อยแต่ไม่เห็นกลับมาอีกเลยได้ยินแต่เสียงมันร้องในเวลากลางคืนดึกสงัดแท้ทุกคืนจะเป็นเสียงมันหรือเสียงเสือตัวอื่นๆก็ไม่ทราบ เพราะแถบนั้นเสือมชุมมากจริงๆคนขี้ขลาดไปอยู่ไม่ได้สำหรับท่านเองท่านบอกว่าไม่นึกกลัวมันเลยยิ่งเห็นมันมานอนเฝ้าอยู่จนตลอดรุ่งและมีกิริยาท่าทางเหมือนสัตว์บ้านโดยแล้วยิ่งทาให้รักและสงสารมันมากกว่าจะกลัวมันเะอีกจากนั้นแล้วยิ่งทําให้เรามีความเชื่อในเชื่อธรรมในแง่ต่างๆเป็นพิเศษขึ้นอีกแยะท่านว่าท่านไปอยู่ประเทศพระมาะถึงห้าปี จนพูดภาษาพม่าได้คล่องปากคล้ายกับภาษาของตัวเหตุที่ท่านจะได้กลับมาไทยเราเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นกับอังกฤษเข้าไปวุ่นวายในเมืองพม่าเต็มไปหมดไปว่าในเมืองบ้านปา่าภูเขาพวกทหารอังกฤษไปเที่ยวค้นจนหมดเพราะคนอังกฤษเครียดแค้นคนไทยมากเวลานั้นหาว่าเข้ากับญี่ปุ่นถ้าค้นพบคนไทยไม่ว่าหญิงชายและนักบวช จะฆ่าทิ้งให้หมดไม่มีข้อยกเวน้นชาวบ้านที่ท่นอาศัยเขาอยู่รู้สึกเขาเคารพเลื่อมใสและรักท่านมากพอเห็นทหารอังกฤษมาเที่ยวจุ่นจ่านมากกลัวท่านจะไม่ปลอดภัยพวกเขารีบปรึกษากันพาท่านไปซ่อนอยู่ในเขาลึกที่พวกทหารอังกฤษไม่สามารถค้นพบแต่ทราบว่าเขามาพบท่านเข้าวันหนึ่งเหมือนกันขณะที่กําลังนั่งอนุโมธนาให้พรชาวบ้านอยู่พวกชาวบ้านหน้าเสียไปหมด เขาไตาถามท่านก็บอกว่ามาอยู่ที่นี่นานแล้วท่านไม่ได้เกี่ยวกับการบ้านเมืองท่านเป็นพระไม่รู้เรื่องอะไรกับใครเลยพวกชาวบ้านก็ช่วยพูดกันอย่างเต็มที่ด้วยเหตุผลว่าพระท่านไม่เกี่ยวกับการสงครามแบบคารวะจะมาเกี่ยวข้องเอาเรื่องเอาราวกับท่านนั้นไม่ถูกถ้าเอาเรื่องกับท่านก็เท่ากับทำลายหัวใจของคนชาวพมา่าซึ่งไม่มีความผิดให้เกิดความเสียหายโดยใช่เหตุนับว่าทาให้ถูกอย่างยิ่ง ประการหนึ่งท่านมาอยู่ที่นี่แต่ก่อนสงครามท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับการบ้านเมืองอะไรเลยแม้คนพมา่าเองยังไม่เห็นว่าท่านเป็นภายแก่ประเทศทั้งที่ปร ะ, ประเทศพมา่าก็กำลังตกอยู่ในภาวะสงครามถ้าทำลายท่านก็เท่ากับทำลายคนพมา่าทั้งประเทศด้วยชาวพมา่าไม่เห็นดีด้วยในการทําเช่นนั้นทหารอังกฤษหลายคนยืนพูดกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องท่านจากนั้นเขาก็แนะว่า ทารพาท่านหนีจากที่นี่เสียโดยเร็วเดี๋ยวพวกอื่นมาจะลำบากบางทีเขาไม่ฟังคำขอร้องท่านอาจเป็นอันตรายได้องค์ท่านเองขณะเขาจับจ้องมองดูด้วยท่าทางเป็นศัตรูท่านมีแต่เจริญเมตตาและระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาผ่านไปแล้วยาโยมก็พาท่านไปส่งและพาไปอยู่ในภูเขาที่ลึกลับไม่ให้เขาคนพบ ไม่ให้ท่านลงมาบินธบาตพอถึงเวลาชาวบ้านพากันแอบเอาจังหันไปถวายท่านนับแต่วันนั้นผ่านไปทหารอังกฤษมากวนเรื่อยท่านเห็นท่านคงทําลายจริงๆเขามาวุ่นวายถามหาท่านวันหนึ่งหลายๆพวกพวกญาติโยมเห็นท่าไม่ดีกลัวท่านจะไม่ปลอดภยัยจึงได้พาท่านไปส่งให้หลบหนีกลับมาเมืองไทยเราโดยเขามาส่งใส่ทางในป่าในเขาซึ่งเป็นทางปลอดภยัย และพวกทางฮังกฤษเข้าไปไม่ถึงเขาบอกทางท่านอย่างละเอียดไม่ให้ปลีกแวะทางเดิมที่เขาบอกแวะทางจ้โลกแสนโราก็ให้พยายามไปตามนั้นทางนั้นเป็นทางเดินเท้าของพวกชาวป่าเขาเดินท่องเที่ยวหากันจนทะลุถึงเมืองไทยเราพอเขาบอกทางให้เรียบร้อยแล้วท่านก็เริ่มออกเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนทั้งไม่ได้หลับนอนทั้งไม่ได้ฉันอะไรเลยนอกจากน้ําเท่านั้น ทั้งเดินบุกป่าฝ่าเขาแทบเป็นแทบตายในป่ามีแต่รอยสัตว์เต็มไปหมดมีเสือช้างเป็นต้นไม่ได้นึกว่าชีวิตจะรอดพ้นมาได้นึกแต่ว่าจะตายท่าเดียวเพราะหลงป่าถ้าเดินผิดทางเสียนิดเดียวตอนเช้าวันค ำ, คำรบสร่ราค้าวนาฬิกาเป็นเรื่องอัศจรรย์เกินคาดส่วนจะจริงเท็แค่ไหนกรุณานาไปพิจารณา เมื่ออ่านพบเรื่องซึ่งกำลังดำเนินอยู่ขณะนี้พอท่านเดินไปถึงไหล่เขาแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีความเมื่อยหิวอ่อนเพลียเป็นกำลังคิดว่าจะไปไม่ตลอดเหมือนใจจะขาดในเวลานั้นจนได้เพราะเดินทางมาได้สามวันกับสามคืนเต็มๆแล้วไม่ได้พักนอนได้ฉันอะไรที่ไหนเลยนอกจากนั่งพักพอบรรเทามหันตทุกจากการเดินทางชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นพอมาถึงที่นั้นเกิดความคิดขึ้นมาว่า เราก็เดินทางเสี่ยงความตายมาทุกลมหายใจจนกระทั่งบัดนี้ก็พอผ่านมาได้ยังไม่ตายลมหายใจก็ยังไม่ขาดความสืบต่อแต่นับแต่ขณะแรกที่เราออกเดินทางมาจนบัดนี้ไม่เคยเห็นบ้านคนเลยแม้รังคาเรือนหนึ่งพอได้อาศัยโคจรบินทะบารประทังชีวิตไว้บ้างนี่เราเลยจะตายทิ้งเสียปเปล่าจะไม่มีคนมาชุบชีวิตไว้ด้วยอาหารเพียงมือหนึ่งบ้างเลอ เรามาด้วยความลำบากยากเย็นในคราวนี้ซึ่งไม่มีคราวไหนในชีวิตของเราจะทุกข์มางเหมือนครั้งนี้ก็เพื่อหลบภัยสงครามอันเป็นเรื่องของความตายที่มนุษย์กลัวกันแต่แล้วก็จะมาตายเพราะสงครามอดอยากคิวโหวยและการเดินทางแบบลมทั้งยืนนี่หรือถ้าเทวบุตรเทวทิดาชั้นฟ้าบนสวรรค์มีดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้และ ว, ว่าพวกนี้มีตาทิพูทิพมองเห็นได้ไกลจริงแต่ว่า ก็จะไม่มองเห็นพระซึ่งกำลังจะสิ้นลมตาอยู่เวลานี้บ้างหรืออย่างไรเราเชื่อคำของพระเถรองตรัสไว้แต่เทศทั้งหลายที่เคยได้รับความอนุเคราะห์จากพระมาะมากต่อมากทั้งครั้งโน้นและครั้งนี้จะเป็นผู้มีใจอันจืดดำจนถึงขณะนี้เชียรหรือถ้าไม่ใจจืดก็ขอได้แสดงน้ำใจให้พระที่กำลังจะตายอยู่ขณะนี้ได้เห็นบ้างจะได้ชมว่าเทวทิดาเทวบุตรทั้งหลายเป็นผู้มีใจสูงและสะอาดจริง ดังชามนุษ์สรรเสริญที่ท่านพูดอย่างนี้ทราบว่าท่านก็เคยมีอะไรๆกับผู้นี้อยู่เหมือนกันแต่ขอผ่านไปเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์บาปมีบุญมีเห็นผลทันตาซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้พอท่านนึกอย่างนั้นจบลงไม่กี่นาทีเลยขณะที่กำลังเดินโซซาโซเซไปนั้นก็ได้เห็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งแต่งตัวรู้ราผิดคนชาวป่าอยู่มากราฟ้ากับดิน กำลงังนั่งนิ่งยกเครื่องยธยาทานขึ้นจบอยู่บนศรีรษะข้างทางที่ท่านจะเดินผ่านไปในหุบเขาอันลึกซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ขณะนั้นท่านเกิดความอัศจรรย์ขนลุกสู้สูไปทั้งตัวเลื่อความเมื่อหิวอ่อนเพลียไปหมดปรากฏว่าความอัศจรรย์เต็มหัวใจเมื่อมองเห็นสุภาพบุรุษผู้ใจบุญนั่งรอใส่บาทยอยู่ข้างหน้าห่างกับท่านประมาณสีวาข้างพุ่มไม้ พอท่านเดินไปถึงสุภาพบุรุษนั้นพูดขึ้นประโยคแรกว่านิมนตพระคุณเจ้าพักฉันจังหันพอบรรเทาความหิวโหยอ่อนเพลที่นี่ก่อนมีกำลังแล้วค่อยเดินทางต่อไปคงจะพ้นดงนาปาทึบในวันนี้แน่นอนท่านเองก็หยุดปรงบริขารจัดบาทเตรียมรับบาทกับสุภาพบุรุษนั้นเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วก็เข้ารับบาทน่าอัศจรรย์ไม่ว่าข้าว่ากับ หวานข้าวทุกชิ้นที่บุรุษนั้นใส่บาตรขณะที่เทลงในบาตรปรากฏว่าหอมตลบอบวนไปทั้งป่าและทั่วพิพภพข้าวกลับก็พอดีกับความต้องการไม่มากไม่น้อยซึ่งล้วนแต่มีโอชารสยางมะมหะตะจันทั้งสิน้นชนิดบอกไม่ถูกถ้าพูดมากเขาก็จะว่าโกหกแต่ความจริงได้กลายเป็นความอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตา จนไม่สามารถพูดอย่างไรจรึงจะถูกกับความจริงที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจในขณะนั้นพอใส่บาเสจท่านถามว่าโยมมาจากไหนบ้านโยมอยู่ที่ไหนอาตมาเดินทางมาได้สามคืนกับสี่วันนี้แล้วไม่เคยเจอบ้านคนเลยสุภาพบุรุษนั้นตอบท่านว่าผมมาจากโน้นชี้มือไปสูงสูงพิกลบ้านผมอยู่โน้นท่านถามว่าทาไมถึงรู้ว่าพระจะมาที่นี่ แล้มคอยสายบายถูกเขายิ้มนิดแต่ไม่ตอบ้ากระไรเลยจากนั้นท่านก็อนุโมทนาให้พรพอให้พรเสร็จเขาก็พูดเป็นประโยคสุดท้ายว่าโยมจะได้ลาท่านกลับไปพระบ้านอยู่ไกลดังนี้ซึ่งปกติเขาเป็นคนพูดน้อยแต่มีท่าทางองค์อาจมากผิดคนธรรมดาผิวกายทุกส่วนผ่องใสามากขนาดกลางคนตามตามว้ รูปร่างก็ปานกลางไม่สูงนักต่ำนักกริยาสำรวมดีมากพอเขาลาท่านแล้วก็ลูกจักที่ท่านพยายามคอยสังเกตเพราะเขาเป็นคนที่ผิดสังเกตอยู่แล้วเมื่อเขาเดินออกไปประมาณสี่วาก็รับกลับต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่โตนักแล้วหายไปเลยคอยจะผ่านออกไปก็ไม่เห็นตาจับจ้องคอยดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นยิ่งทำให้ผิดสังเกต ท่านจึงลุกจากที่นั่งเดินไปดูที่ต้นไม้ที่เขาผ่านไปก็ไม่เห็นมองไปมาที่ไหนซึ่งถ้ามีคนอยู่บริเวณนั้นต้องเห็นแน่นอนแต่นี่ไม่เห็นเลยแต่บัดนั้นยิ่งทําให้ท่านผิดสังเกตและเกิดความสงสัยยิ่งขึ้นบุรุษนั้นทําให้ท่านประหลาดใจมากเมื่อไม่เห็นท่านก็กลับมาเริ่มฉันจังหันข้าวก็ดีแกงก็ดีหยิบชิ้นไหนขึ้นมามันไม่ใช่อาหารในเมืองมนุษย์ที่เคยฉันมาธรรมดา ความหอมโวนชวนชื่นและรสชาติอร ե นอร่อยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เปเสหมดทั้งข้าวและอาหารหวานขาวล้วนพอดีพอดีกับความต้องการของธาตุทุกส่วนอะไรอะไรซึ่งช่างพอดีเอาเสียทุกอย่างไม่เคยพบเคยเห็นขณะที่ฉันปรากฏว่าโอชารสของอาหารวิ่งซ่านไปทุกขมขนประกอบกับความหิวโหยก็กําลังบีบบังคับอย่างเต็มที่อยู่ด้วยโดยไม่ทราบว่ารสความหิว หรือรสอาหารเทวดากันแน่อาหารที่สุภาพบุรุษถวายทั้งสิน้นท่านฉันหมดพอดีและพอเหมาะกับความต้องการของทา่านไม่มากไม่น้อยไม่ขาดไม่เกินถ้าสมมุติว่าอาหารยังเหลืออยู่อีกแม้เพียงเล็กน้อยก็คงฉันต่อไปอีกไม่ได้พอฉันเสร็จก็เริ่มออกเดินทางด้วยท่าทางแข็งแรงเปล่งปลั่งอาภานสุดจะขาดเรากลับไม่ใช่คนที่กําลังจะสิ้นลมหายใจอยู่ในครู่ก่อนๆนั่นเลย ทั้งเดินทางทั้งคิดเรื่องบุรุษลึกลับไปตลอดทางจนลืมเหน็ดเหนื่อยและลืมระยะทางว่ายังใกล้ยังไกลเป็นทางผิดหรือทางถูกลืมสนใจทั้งสิ้นพอตกเย็นก็พ้นดงนาป่าใหญ่พอดีตรงกับคำาสุภาพบุรุษทนายไว้ทุกประการก้าวเข้าเขตประเทศไทยเราด้วยความพิตียิดีมาตลอดทางวันนั้นหายความทุกทรมานกายทรมานใจตลอดวัน เมื่อเขาถึงเขียทยัยอันเป็นแดนที่เกิดของตนจึงเกิดความแน่ใจว่าเรายังไม่ตายสำหรับสาหรับคราวนี้ท่านว่าบุรุษนั้นต้องเป็นทวยเทพชาวตรพบแน่นอนไม่ใช่คนธรรมดาสามัญที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนั้นเลยคิดดูเวลาจากสุภาพบุรุษคนนั้นมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้พบบ้านเรือนที่ไหนอีกเลยทางสายนี้น่าแปลกใจซึ่งน่าจะมีหมู่บ้านอยู่บ้างในระหว่างทางอย่างน้อยสักแห่งหนึ่ง เลยทำให้สงสัยไปเสียหมดกระทั่งค้นทางเดินเพื่อหลบภัยการหลบภัยก็หลบเอาที่จริงๆหลบกระทั่งผู้คนไม่เจอจังหันก็ไม่เจอหลบจนแทบเจอภัยคือความอดตายถึงถึงผ่านมาได้ท่านว่าการที่ผ่านความตายและความรอดตายมาได้ครั้งนี้ทำให้ท่านอดคิดไปในแง่เทวาปฏิหารไม่ได้เพราะทางที่มาล้วนเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้าน ช้างเสือหมีงูชุกชุมมากตลอดเวลาแต่ตลอดทางที่ผ่านมาไม่เคยเจอจำพวกสัตว์ร้ายเหล่านี้เลยนอกจากจาพวกเนื้อที่ไม่เป็นภัยต่อชีวิตเราเท่านั้นถ้าอย่างธรรมดาแล้วท่านว่าอย่างน้อยต้องเจอในวันหรือคืนหนึ่งหนึ่งถึงห้าจำพวกเฉพาะถสือกับช้างเป็นสําคัญน่ากลักจะยังไม่ข้ามวันข้ามคืนต้องทอดทิ้งร่างกายไว้กับสัตว์ร้ายจะพวกใดจะพวกหนึ่งแน่นอนแต่ที่ ยังผ่านมาได้เรากับปาฏิหารเช่นนี้จะไม่อัศจรรย์อย่างไรต้องเป็นเรื่องของธรรมบันดาลหรือเทวฤทธิ์บันดาลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างแน่นอนเพราะก่อนจะมาชาวบ้านข้วิโตโคงใหญ่ด้วยกันทั้งบ้านว่ากลัวเราจะไปไม่รอดอันตรายที่เกิดจากสัตว์มีเสือช้างเป็นต้นแต่เขาก็หาทางหลีกเลี่ยงช่วยเราไม่ได้ถ้าขืนก็ไม่ได้ คือขืนอยู่พม่าอีกต่อไปก็ยิ่งแน่ต่ออันตรายจากสงครามและทาหารอังกฤษจึงช่วยกันคิดเพื่อแบ่งหนักให้เป็นเบาลงบ้างโดยส่งเราข้ามเขตอันตรายของมนุษย์กระหายเลือดไปเสียเพื่ออนาคตของเราที่อาจจะยังสืบต่อไปอีกนานถ้าเขาไม่ฆ่าเสียในระยะนี้จึงได้ฝืนเดินฝ่าอันตรายนานาชนิดมาแทบอัตัไม่รอดดังนี้กรุณาท่านผู้อ่านพิจารณาดู ผู้เขียนได้ยินมาอย่างนี้ไม่กล้าตัดสินเอาคนเดียวแบ่งให้ท่านผู้อื่นได้มีส่วนวินิจฉัยด้วยแต่อดที่จะอัศจรรย์นในเหตุการณ์ไม่ได้ที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปให้เห็นอย่างชัดเจนนาป้าชีวิตทุดงกรรมฐานของท่านอาจารย์องค์นี้สมบุกสมบันมากนอกนั้นยังมีประสบการณ์ปลกๆย่อยๆเรื่อ ย, อยมาเพราะท่านชอบอยู่แต่ป่าแต่เขาตลอดมาไม่่อยเห็นท่านเข้ามากเกี่ยวข้องกับฝูงชน ท่านอยู่ลึกไม่มีใครกล้าเข้าไปนิมนต์ถึงพระพระปฏิบัติสายท่านพระอาจารย์มั่นท่านมากอยู่แต่ในป่าในเขาเนื่องจากองค์ท่านอาจารย์เองพาดําเนินมาและส่งเสริมมาดาศิษย์ในทางนั้นเท่าที่สังเกตท่านตลอดมาท่านชอบพูดชมป่าชมเขาประจํานิสัยที่ท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาตลอดมาท่านว่าแม้รู้ธรรมมากน้อยหยาบละเอียดเพียงไร ก็ชอบรู้อยู่ตามป่าตามเขาแทบท้งนั้นไม่ค่อยรู้ทำพอให้มีความสงบเย็นเพราะอยู่ในที่เกลืล่อนกลนบ้างเลยแม้ทำ ท, ที่นำมาสั่งสอนหมู่คณะอยู่ทุกวันนี้ก็ได้มาจากความรอดตายในป่าในเขานั่นแหลหลังจากท่านปรณภาพแล้วโดยทางรูปกายแต่ความสัมพันธ์ระหว่างนิมิตที่ปรากฏเป็นองค์แทนท่านกับความรู้ทางจิตตภาวนาของบรรดาสิษที่มีนิสัยในทางนี้ก็มีต่อการอยู่เสมอมา ราวกับท่านยังมีชีวิตอยู่การภาวนาเกิดขัดข้องอย่างไรบ้างท่านก็มาแสดงบอกอุบายวิธีแก้ไขโดยทางนิมิตเหมือนองค์ท่านแสดงจริงๆทํานนองพระอาหารหันต์มาแสดงทำให้ท่านฟังในที่ต่างๆตามที่เขียนผ่านมาแล้วถ้าจิตของผู้นั้นอยู่ในภูมิใดและขัดข้องทำขนแนงใดที่ไม่สามารถแก้ไขโดยลาพังตนเองได้ท่านก็มาแสดงทำขแนงนั่งจนเป็นที่เข้าใจ แล้วนิมิตคือรูปภาพขององค์ท่านก็หายไปหลังจากนั้นก็นำธรรมเทศนาที่ท่านแสดงให้ฟังในขณะนั้นมาแยกแยะหรือตีแผ่ออกตามกำลังสติปัญญาของตนให้กวางกวางออกไปและได้อุบายเพิ่มขึ้นอีกตามภูมิที่ตนสามารถท่านที่มีนิสัยในทางออกโรสิ่งต่างๆย่อมมีทางรับอุบายจากท่านที่มาแสดงให้ฟังได้ตลอดไปที่เรียกว่าฟังธรรมทางนิมิตภาวนา ท่านมาแสดงทําให้ฟังทางนิมิตผู้รับก็รับรู้ทางนิมิตซึ่งเป็นความลึกลับอยู่บ้างสําหรับผู้ไม่เคยปรากฏรู้หรือผู้ไม่เคยได้ยินมาเลยอาจคิดว่าผู้รับในทางนิมิตเป็นความเลหลวไหลหลอกลวงก็ได้แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นพระปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้ท่านรับเหตุการณ์ในทางนี้ด้วยอันเป็นความรู้พิเศษเฉพาะรายเฉพาะรายไม่ได้ทั่วไปแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย คือเป็นไปตามภูมิทวายวาสนาดังท่านอาจารย์มั่นฟังพระาว่าดของพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปโปรดและฟังธรรมที่พระสาวกมาแสดงโดยทางนิมิตเสมอมากัรดาสิทธิทมีนิสัยคล้ายครึงท่านก็มีทางทราบได้จากนิมิตที่ท่านมาแสดงหรือพระพุทธเจ้าและพระสาวกมาแสดงถ้าเทียบก็น่าจะเหมือนพุทธนิมิตของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมาดาในชั้นดาวดึงสวรรค์นฉนั้น แต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่มากจิตใจคนน้อมเชื่อได้ง่ายกว่าเรื่องทั่ ว, วไปแม้มีมูลความจริงเท่ากันจึงเป็นการยากที่จะพูดให้ละเอียดยิ่งกว่าที่เห็นว่าควรดังนั้นผู้เขียนจึงไม่สะดวกใจที่จะเขียนให้มากไปกว่านี้และขอมอบไว้กับท่านผู้ปฏิบัติจะทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยความรู้อันเป็นปัจจางของตัวเอาเองดีกว่าผู้อื่นอธิบายให้ฟังเพราะเป็นความแน่ใจต่างกันอยู่มาก สำหรับผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างนั้นอะไรก็ตามถ้าตนมีความสามารถพอเห็นได้ฟังได้สูดกลิ่นริมรสและรู้เห็นทุกสิ่งได้ด้วยตัวเองก็ไม่อยากรับทราบจากผู้อื่นมาเล่าให้ฟังเพราะแม้ทราบแล้วบางอย่างก็อดสงสัยและคิดตันิติเตียนไม่ได้แม้ผู้มีเมตตาจิตเล่าให้ฟังด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเรามันปุถุชนไม่บริสุทธิ์นี่จึงมักจะชนดาบไปเรื่อยไม่ค่อยลงใครเอาง่ายๆ ฉะนั้นจึงควรให้ตนรู้เอาเองผิดก็ถูกก็ตัวรับเอาเสียเองไม่ต้องให้คนอื่นพลอยรำคาญทนฟังคำตำหนิตีเทียนจากตนดังท่านว่าบาปใครบุญใครก็รับเอาเองถูกก็แบกหามเองสุขก็สวยเองรู้สึกว่าถูกต้องและง่ายดีด้วยประวัติท่านพระอาจารย์มั่นผู้เขียนได้พยายามหมดภูมิหิงเท่านี้ในชีวิตก็น่าจะมีครั้งเดียวเท่านี้ ไม่สามารถจะเขียนให้ละเอียดละ อ, อและไพเราะเพราะพิงยิ่งกว่านี้ได้อีกพี่ถูกประการใดก็หวังได้อภัยจากท่านผู้อ่านดังที่เคยให้มาแล้วที่เขียนมาแต่ต้นจนเข้าขั้นสรุปความพยายามก็นับว่ากินเวลานานพอควรแต่เรื่องท่านแม้จะเขียนไปอีกราวสามปีก็คงไม่จบส่วนความสามารถแห่งการจดจําและการเขียนหากหมดกําลังเอาเองทั้งที่อยากเขียนให้พี่น้องทั้งหลายได้อ่านสมใจที่พวกเราไม่เคยเห็นองค์ท่าน ก็อาจมีอยู่มากที่ได้อ่านประวัติท่านอยู่เวลานี้ตลอดการปฏิบัติดำเนินที่ท่านพยายามฝึกตนมานับแต่วันบวชจนถึงวันมรณภาพแม้ได้เห็นบ้างเพียงประวัติท่านทั้งที่ไม่สมบูรณ์เต็มโพมแห่งเรื่องที่บรรจุอยู่ในองค์ท่านท่านพระาจารย์มัน่นเป็นผู้มีประวัติงดงามมากมาแต่เป็นครวาตท่านมีนิสัยสมเป็นนักปราชญ์มาดั้งเดิมไม่ปรากฏว่า ได้ทำความเสียหายและกระทบกระเทือนจิตใจท่านผู้ใดมาก่อนเลยตลอดบิดามารดาวงศาคนาญาตท่านปฏิบัติตัวราบเรื่องปลอดภัยตลอดมาเวลามาบวชก็พยายามบำเพ็ญตนจนเป็นหลักฐานมั่นคงในองค์ท่านและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนพระเนรตลอดมาจนวันอวสานสุดท้ายนี้คือท่านผู้สว่างมาและสว่างไปควรเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมในสมัยปัจจุบันได้ผู้หนึ่ง โดยปราศจากความเครือข่างสงสัยการบำเพ็ญประโยชน์ตนก็เยี่ยมยอดเชียบขาดไม่มีกลิ่นตัวใดแสงหน้าท่านไปได้ทําความบําราบปราปรามจำนวนเกลี้ยงไม่เหลือหลอจนได้น้ำจากบรันรดาลสิทธิผู้ใกล้ชิดและเคารพต้องถือว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันการบําเพ็ญประโยชน์แก่โลกก็ไม่มีอะไรเคลื่อนคลาดขาดสติปัญญาพอจะแทรกแสงคัดค้านได้ว่า ท่านพาดันเนินผิดทางนับแต่ขั้นต้นจนอวสานแห่งธรรมเป็นผู้สามารถฉลาดรู้ทั้งภายในคือจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาทั้งภายนอกเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์โลกทั่วไปมานิยมว่าเป็นคนป่าคนเขาคนฉลาดชาติชั้นวันนาสูงต่ำประการใดท่านเต็มบริการเมตตาอันหาที่เปรียบไม่ได้แม้วันใกล้จะลาโลกลาขัน เมื่อลูกศิษย์ผู้จนตรอกออกซอยไม่ได้เขาไปกราบเปลียนถามปัญหาข้ออัดข้อทำแทนที่ท่านจะปล่อยวางไปตามขันเสียทุกอย่างแต่เมตตาจิตประจําลิสัยไม่ได้ปล่อยวางยังอุตสาหเมตตาอนุเคราะห์สั่งสอนจนสิ้นสงสัยไปในขณะนั้นบรรดาศิษย์แต่ละองค์ได้ปัจจิมโอวาทไว้เป็นขวัญใจคนร ะ, ะบาดระบาดไม่เสียชาติที่ได้มาพบเห็นท่านผู้ประเสริฐเลิศโลกอย่างยึดไว้เป็นสารณะอย่างสนิท ติดใจตลอดมาบรรดาศิษย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้รับประสิทธิประสาทธรรมจากท่านมาเป็นหลักยึดต่างก็ตั้งตัวเป็นหลักฐานทางด้านจิตใจได้จนกลายเป็นครูอาจารย์สั่งสอนสารนสิสิตสืบทอดกันมาไม่ขาดทุนศูนย์อริยทรัพย์อันเลิศไปเสียส่วนศิษย์ผู้น้อยและย่อยๆลงไปที่จะเป็นกําลังของาศาสนาต่อไปก็ยังมีอยู่มากและท่านที่มีสมบัติคือคุณธรรม แต่มิได้ปรากฏตัวเปิดเผยก็ยังมีอยู่หลายท่านซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเมตตาเป่ากระหม่อมกล่อมทาลงในดวงใจมาแล้วทั้งนั้นบรรดาการพัฒนามูชนและการเข้าถึงประชาชนควรพูดได้ว่าท่านเป็นอาจารย์เอกในการพัฒนาจิตใจคนให้เข้าถึงอัตถึงธรรมถึงเหตุถึงผลให้รู้ดีรู้ชั่วอันเป็นหักษาคลของการปกครองโลก เพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่ถูกกับจุดศูนย์กลางของโลกของธรรมอย่างแท้จริงโลกจะเสื่อมพินาศธรรมจะฉิบหายต้องขึ้นอยู่กับจิตเป็นผู้เสื่อมฉิบหายมาก่อนการเคลื่อนไหวคือการธรรมจึงเป็นประโยคสังหารโลกทำลายธรรมตามคันมาถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีการเคลื่อนไหวทางกายวาจาก็าเป็นประโยคส่งเสริมโลกให้เจริญธรรมก็ร่งเรองเป็นเงาตามตัว ก็คนที่ได้รับการอบรมธรรมจนเข้าถึงจิตใจแล้วจะทำความชิบหายได้ลงคอลเหลือไม่เคยเห็นมีในคติธรรมดาที่เป็นมาแล้วนอกจากความรู้ประเภทนกขุนทองท่องในคร่องปากจำได้คร่องใจแต่ทำนิสัยไม่เข้าถึงใจเท่านั้นท่านเป็นผู้เข้าถึงจิตใจประชาชนพระเนนแท้ผู้เคารพเรื่มสายท่านอยากถึงใจแล้วแม้ชีวิตก็ยอมถวายได้ไม่อะไราเสียดาย ทุกสิ่งถ่าลงได้เข้าถึงใจแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมเป็นแรงผลักดันอย่างไม่มีแรงใดๆเทียบเท่าได้ในโลกไม่เช่นนั้นคนเราไม่กล้าทำความดีหรือความชั่วอย่างสนใจได้ที่ทำได้อย่างไม่สะทกสะท้านและกลัวตายก็เพราะใจได้เข้าถึงสิ่งนั้นๆโดยไม่มีทางหลบหลีกแล้วนี่พูดเฉพาะทางดีเกี่ยวกับความเคารพเรื่มใสในท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เท่าที่ทราบในวงปฏิบัติด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งคือพระที่ทำเข้าถึงใจแล้วท่านแสดงความอาจหารมากว่าความเชื่อเริ่มใสยท่านไม่มีอะไรเทียบได้เลยแม้ชีวิตที่แสนรักสงวนมารั้งเดิมยังกล้าสละเพื่อท่านได้ด้วยอำนาจความเชื่อความเริ่มใสที่มีกำลังแรงสิ่งนี้สละไม่ได้ส่วนชีวิตสละได้ไม่ยากเลยดังนี้เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่า ท่านเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดจิตใจคนได้อย่างอัศจรรย์ทั้งยังมีชีวิตอยู่และผ่านไปแล้วเฉพาะความเคารพรักและลืมใส่ในท่านสำหรับผู้เขียนคนไม่เป็นท่ามาดั่งเดิมรู้สึกว่าแปลกต่างคนทั้งหลายอยู่มากว่าท่านเพิ่งผ่านไปโดยทางขันเมื่อวานนี้เท่านั้นทางที่ได้ยี่สิบปีเต็มแล้วส่วนทางจิตใจท่านเหมือนไม่ได้ผ่านไปเลยคงมเมตตาต่อเราอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายแห่งประวัติท่านจึงขอนำธรรมที่ท่านแสดงในระยะที่เริ่มป่วยมาถึงระยะปัจจิมโอวาทมาลงเท่าที่จำได้เพราะความสลักใจในองค์ท่านตลอดมาในเนื้อธรรมที่แสดงในระยะเริ่มป่วยคล้ายกับเป็นคําเตือนสงว่านับแต่ขณะท่านเริ่มป่วยคราวนี้เป็นการป่วยในลักษณะที่เริ่มถอดถอนรากเหง้าขขามวลชีวิตธาตุขันเกี่ยวกับการผสมทุกส่วนของร่างกาย ให้ลดความคงที่ดีงามลงเป็นของชำรุดใช้การใช้งานไม่ได้โดยลำดับนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปการห่วงทาดขันความเป็นความตายนั้นผมได้พิจารณามานานแล้วเกือบหกสิบปีไม่มีสิ่งเป็นที่น่าห่วงใยเสี ย, ดยได้ใดทั้งสิ้นแล้วผมหายสงสัยกับสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงแล้วนับแต่ขณะรมของจริงเตรียมส่วนเข้าถึงใจมาจนบัดนี้มองดูสิ่งใดทั้งในกายทั้งนอกกาย มันเป็นสภาพอันเดียวกันกับสิ่งอันมีอยู่ในกายเราที่เริ่มสลายตัวลงพนละเล็กละน้อยนี้เพื่อความเป็นของเดิมของเขาแม้สมมติว่ายังเป็นกายเราอยู่ก็ตามมันก็คือสิ่งเดียวกันกับธาตุโๆไปนั่นเองสิ่งที่ผมเป็นห่วงยาอยู่เวลานี้คือท่านภูมาศึกษาทั้งหลายทั้งมาจากที่ใกล้และที่ไกลกลัวจะไม่ได้อะไรไปหลักใจเมื่อผมผ่านไปแล้วจึงได้เตือนอยู่เสมอว่า อย่าพากันประมาทนอนใจว่ากิเลสคือเชื้อแห่งภพความเกิดตายไม่มีทางสิ้นสุดเป็นของเล็กน้อยไม่เป็นภัยแก่ตนแล้วไม่กระเทือรือร้อนเพื่อแก้ไขทอทอนเสียแต่การที่ยังควรอยู่เมื่อถึงการที่สุดพิสัยแล้วจะทำอะไรกับกิเลสเหล่านี้ไม่ได้นะจะว่าไม่บอกไม่เตือนคนและสัตว์ทุกทรมานมาประจำโลกอยากเข้าใจว่าเป็นมาจากอะไรแต่เป็นมาจากกิเลสตัณหาที่เห็นว่าไม่สาคัญและไม่เป็นภัยนั่นและ ผมคนดูทางมาของการเกิดตายและการมาของกองทุกข์มากน้อยจนเต็มความสามารถของสติปัญญาที่มีอยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเหตุชักจูงจิตใจให้มาหาที่เกิดตายและรับความทุกข์ทรมานมากน้อยเลยมีแต่กิเลสตัวที่สัตว์โลกเห็นว่าไม่สำคัญและมองข้ามไปมาอยู่นี้ทั้งสิ้นเป็นตัวการสำคัญทุกท่านที่มีกิเลสประเภทดังกล่าวบนหัวใจด้วยกันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหรือยังเห็นว่าไม่สำคัญ เช่นเดียวกับโลกทั้งหลายอยู่ด้วยหรือถ้าเห็นอย่างนั้นการมาอยู่แล้วอบรมกับผมจะเป็นเวลานานเพียงไรก็เท่ากับท่านทั้งหลายมาทําตัวเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่นานเพียงนั้นถ้าต้องการเป็นเหมือนลิ้นผู้รอรับรถก็ควรฟังธรรมที่ผมแสดงอย่างถึงใจทุกครั้งให้ถึงใจอย่าพากันเป็นทัพผีขวางทำอยู่นานนักเลยจะตายทิ้งเปล่าๆยิ่งกว่าสัตว์ตายที่เนื้อหนังยังเป็นประโยชน์อยู่บ้าง ส่วนคนประมาทยังเป็นอยู่หรือตายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมเริ่มป่วยก็ได้บอกมาโดยลําดับมาว่าผมเริ่มตายไปโดยลําดับเช่นเดียวกันการตายด้วยความเพียงพอทุกอย่างเป็นการตายที่หมดกังวลพ้นทุกข์แม้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่จําเป็นต้องคาดต้องหวังสิ่งใดๆทั้งสิ้นอยู่กับความเพียงพอนี่เองแต่การตายด้วยกิเลสความไม่มีอิ่มพอ จะไปอยู่โลกไหนความไม่อิ่มพอก็ติดแนบอยู่ที่ดวงใจต้องทำให้เป็นทุกตามโซนของกิเลสที่ยังมีอยู่ในใจนั่นเองท่านทั้งหลายจะไปคาดโลกนั้นโลกนี้ว่าน่าสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจเวลาตายไปอยากไปอยู่โลกนั้นโลกนี้อันความอยากความไม่เพียงพอกวรใจอยู่ก่อนที่ยังไม่ตายท่านทั้งหลายยังไม่มองดูมันว่าเป็นข้าศึกเครื่องรบกวนใจแล้วพวกท่านจะไปหาเอาความสุข จากอะไรที่ไหนกันถ้าท่านทั้งหลายไม่หมดความหวังว่าจะไปโลกนั้นโลกนี้อยู่อย่างนี้แล้วผมเองก็หมดปัญญาไปด้วยท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้การเป็นพระถ้าใจยังไม่มีความสงบเยือกเย็นทางสมาธิทำแล้วอย่าเข้าใจว่าตนจะได้รับความสุขเย็นใจในที่ไหนๆเลยแต่จะไปเจอเอาแต่ความรุ่มร้อนที่แอบแฝงไปกับโัวใจที่ไม่มีความสงบนั้นนั่นแหละจงพากัน ร, รีบชาระแก้ไข ให้พอเห็นช่องทางเดินของจิตเสียแต่วันนี้เป็นต้นไปใครเพียรใครอาถรรพ์ใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนธรรมอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในใจดวงนี้